พระธรรมเทศนาแผ่นที่65ลําลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าชีวิตพระนั่นลหละยิ่งต้องสู้ วันนี้เป็นวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2557จวนจะเข้าพรรษาเต็มทนวันที่ 11-12 เป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2557แต่วันนี้หลวงพ่อจะได้มีธุรกิจธุระพระสงฆ์ ลงไปกิจธุระที่กรุงเทพจะลงไปวันนี้ก็คงจะขึ้นมาคงพ่อจะส่งพระขึ้นมาก่อนคงจะส่งขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งวันที่4แต่หลวงพ่อก็คงจะอยู่ต่ออีกสักวันแล้วก็พระที่ขึ้นมาหลวงพ่อเป็นห่วงวัดเหมือนกันลงไปก็ยังเป็นห่วงวัดเพราะว่ามันจวนเข้าพรรษาดูความพร้อมและความ เรียบร้อยของวัดที่พระจะจำพรรษาตลอดถึงการทำความสะอาดที่พักผาอาศัยก็คงจะช่วยๆกันนะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมทั้งภายในวัดทั้งภายนอกวัดนะ่ะช่วยๆมากุธาวาครูบาเรียกร้องหาก็ให้มาช่วยๆกันด้วยเพราะว่าอ า, อาจจะปรับ ทางถนนหนทางของพระที่เข้าไปกุติพอเราปีหนึ่งเราก็จะปรับปรุงครั้งครั้งหนึ่งอย่างทางเดินยงกลมอย่างเนี้ยเราก็จะต้องได้ทำทางสำหรับให้พระเดินยงกลมที่กุติประจำกุติแต่ละหลังเพราะนั้นเราจะต้องดูแลเสนาสนะให้พร้อม พร้อมที่จะจำพรรษาไม่ใช่จําพรรษาแล้วมาซ่อมแซมกุติดูมันจะไม่เหมาะเพราะนั้นพวกเราพวกครูบารุ่นเก่ารุ่นพี่ก็ช่วยๆกันดูตรงไหนที่ยังขาดเหลือขาดตกก็ให้ช่วยๆกันเอาจัดฐาติโยงเข้ามาแล้วก็ให้ซ่อมๆให้มันเสร็จพระจะได้เข้ามา จำภรษาประจํากุติของใครของเราหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกถ้าหลังคามันมีกิ่งไม้มันเฟือยเข้ามาถูกหลังคากุติก็ให้ตกแต่งกิ่งออกซะอย่าให้มันถูกกับหลังคาทําให้หมดหรือมแมลงเกาะติดต่อเข้ามาได้ทําให้พระอยู่ที่นั่นไม่สบายเพราะมีมดเข้ามา เพราะว่ากุฏิทุกหลังของเราเราเตรียมการมดไว้แล้วเจ้าของผู้ไปอยู่ก็ต้องรับผิดชอบอถ้าน้ามันมันแห้งาตามต้นเสาเมื่อไปอยู่แล้วก็ต้องบอกครูบาเก่าบอกว่ากุฏิของผมน้ามันมันแห้งที่โคลนเส า, เ, าเมื่อครูบาเก่าได้รับทราบแล้วก็ควรจะเอาใส่น้ามัน ใส่ขวดใส่อะไรไปเทล้อมรอบเอาไว้เพื่อการมดการมแมลงการมแมลงป่องเหล่านี้เป็นต้นพอเราอยู่ในป่าสิ่งเหล่านี้ก็คือความรอบครอบไม่ใช่ว่าเราไปอยู่แล้วก็เหมือนจะอยู่บนฉวตรค์สั้นฟ้าเหมือนกับโรงแรมไม่ใช่นะโรงแรมมีใครมีคนดูแลให้แต่ในต้องตัวเองต้องดู เสนาสนที่พักพาใสของตนเองอัตหิอั ต, อ ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำนี้ต้องฟังเอาไว้พอเราไปอยู่นัสถานที่ใดเราก็ต้องดูเสนาสนที่พักพาใสของตนเองขาดเหลือขาดตกอะไรจากนั้นก็นมาบอกพระรุุนพี่ที่พระเวนสาลาท่านก็นจะได้อำนวยความสะดวกให้ พระที่อยู่ศาลาก็เหมือนกันต้องฟังผู้ที่เข้ามาประสานเข้ามาเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันเพราะว่าเราเขามองไม่เห็นความขัดข้องแต่ละกุฏิแต่ละที่พักขาดเหลือขาดตกอะไรขัดข้องอะไรเราไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกหลังองค์ที่ไปอยู่นะ่ะ เมื่อท่านไปอยู่แล้วท่านขัดข้องอะไรท่านก็จะมาบอกมาบอกเราก็ช่วยกันไปดูปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเนี่ยเราหลวงพ่อเป็นห่วงก็คงจะได้ส่งพระขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะนำมาเตรียมพร้อมในการบวชพระนิมนต์พระอุปชาแต่ถึงยังไงก็ขอให้ช่วยกันนิมนต์พระอุปชาไว้ด้วยก็ได้วันนั้นอ่ะ ถ้าองค์หนึ่งไม่ว่างก็ให้องค์หนึ่งองค์หนึ่งอย่างที่พวกเราเคยปฏิบัติมานั่นแหละบางทีพระอุปชาองค์หนึ่งไม่ว่างเราก็ขอไปถิกอีกองค์หนึ่งมีอยู่สองสามองค์ที่เรานิมนต์มานั่งพระอุปชาอยู่ที่วัดของเราอันนี้ก็ความเตรียมพร้อมส่วนอย่างอื่นการก่อสร้างที่งยังไงก็ รุนพระรุ่นใหญ่ไป เ, เลี่ยงลำดับพันษาลงไปก็คงจะเหลือท่านกวนอิมท่านนั่นกนะูบาอาจารย์ผู้มีอายอาุพระที่มีอายุพันษามีที่มีอายุาที่บวชก็คอยช่วยกันดูนะช่วยช่วยกันดูดูแลตลอดถึงการงาน องไหนที่เกี่ยวข้องก็ให้อาจารย์หน่อยเป็นผู้บอกแนะนำมอบหมายให้ช่วยๆกันดูเพราะว่าในก่อนพรรษาเนี่ยเราจะเร่ ง, งงานอันไหนงานเน้นๆน้อยๆเราก็จะพยายามทำให้แล้วเสร็จก่อนเมื่อเข้าพรรษาแล้วปีนี้เราพยายามงดทั้งหมดทำให้จำเป็นเบนเสียแต่จำเป็น ไม้ทับหลังคากุฏิเอออันนั้นก็จำเป็นนะถ้าเราไม่ซ่อมแซมก็ทำให้เสียหายได้ถ้าว่าเราจะคิดก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยในพรรษานี้คงจะงดเพราะวัพนพรรษาที่แล้วเราก็ทำศาลาข้างนอกเหมยลาพอแรงแล้วเราไม่น่าจะยึดเรื่องภายนอกออการก่อสร้างภายนอก เป็นที่อยู่ทางด้านจิตใจเราควรจะภาวนานะเดินยองกลมภาวนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจจึงจะถูกไม่ใช่เอาวัตถุภายนอกมาเครื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะเพราะในพรรษานี้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยพรรษาที่แล้วเนะี่ยปีหนะ้าหกเนี่ยเราได้ให้พระ ด, ดูแลกันพระผู้ผใหญ่ไม่ใช่พระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ที่รุ่นที่เป็นการงาน ให้ไปควบคุมงานกับพวกช่างตลอดพันศาปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่น่าจะมีถึงพระใหม่พระเก่านะั่นอยู่ในความสงบอย่างน้อยก็มันกวนลบกวนคนอื่นเงื่อนเรื่องงานเรื่องเสียงของงานอันนี้ก็เราก็ให้มอบหมายกันก่อนที่จะลงไปและก็พร้อมกันพระใหม่ที่เขามาบวช ในพรรษานี้ก็ให้พยายามท่องวิธีแสดงอาบัติแล้วก็ท่องอธิษฐานพรรษาคําอธิษฐานพรรษาถ้าเป็นไปได้เขากรุ๊มากก่อนั้นก็ท่องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างน้อยก็ให้พูดกับหมู่ครูบาอาจารย์ไปได้ไม่ใส่ใจเฉลยก็ไม่ได้นะครับบวช เรียนเขียนอ่านบวชเข้ามาเพื่อการศึกษาพระนั่นพระเนนทุกองนะที่บวชเข้ามาแล้วก็นั่นหะหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของพวกเราเนี่ยคืออะไรให้ศึกษาหน้าที่ของทหารคืออะไรหน้าที่ตำรวจคืออะไรหน้าที่ของครูบาอาจารย์คืออะไรหน้าที่ของ วิศวกรการช่างแต่ละแผนกคืออะไรหน้าที่ของตนเองนี่แหละมันคนละหน้าที่นะแต่บางคนแยกไม่ออกเพราะมันโง่โง่แวแยกไม่ออกพ่อเข้ามาแล้วก็เห็นพระอยู่ในความสงบนิ่งกลับไปกุฏิแล้วก็ต่างองค์ต่างอยู่ในกุฏิของตนเองก็พระมีแต่อยู่ในกุฏินอนลูกเดียวนะ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อไปบินทบาทมาฉันแล้วถ้ามันยังมีความงก ง, ง่วงยังมีง่วงอยู่ให้เดินจงกรมก่อนให้เดินจงกรมพอเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งสมาธิในกุฏินั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ภาวนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้ภาวนาถึงมรณะนุสติคือความตายที่จะมาถึงตนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งให้เลึกไว้อยู่เสมอเนี่ยอันนี้ก็คือนั่งภาวนาพอนั่งเท่าที่จะนั่งพักแล้วเอามันเหนื่อยพักก็พั ก, ก, พกแล้วก็ลุกมานั่งอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระเนีเราคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไปอยู่ในป่าตั้งหกปี เราได้ยินไหมในประวัติท่านว่าท่านถือจอบถือเสียมถือสัตว์ราวุตธนงธนูหอกดาบแหลนหลาวไปฝึกซ้อมอยู่ใ น, ในฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีเราได้ยินไหมไม่ได้ยินแสดงว่าท่านไม่ได้ฝึกอย่างนั้นท่านฝึกใจฝึกใจฝึกที่ตรงไหนฝึกความนึกคิดอันนี้เราเราไม่เคย พวกเรามาอยู่ที่นี่เรานึกคิดถึงบ้านถึงเที่ยวถึงหมูถึงเพื่อนถึงที่เคยเที่ยวเคยเตรเคยคบค้าสมาคมกับหมูเพื่อนมาอยู่ที่นี่เงียบสงบไม่รู้จะทำยังไงนั่งคิดว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้านั่นละ่ะให้ดูตัวนั้นละ่ะตัวที่พระพุทธเจ้าให้ดู นั่นแหะคือตัวกิเลสอย่างพระในครั้งพระพุทธายาวท่านเป็นลูกเศรษฐีพอบวชเข้ามาแล้วท่านก็ครูบาอาจารย์ก็แนะนําอย่างหลวงพ่อแนะนําอย่างนี้แหละคูบาอาจารย์ตุนนั้นก็ท่านก็แนะนำเออให้ภาวนาเนอะไปอยู่ในป่าช้าไปอยู่ในถ้ำนี่แหละภาวนาแต่พระท่านนั้นที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ย ที่ท่านร่ำรวยท่านอยู่ด้วยความสุขการเป็นอยู่ทุกอย่างอำนวยความสะดวกได้ทุกอย่างต่นี้ท่านมาบวชครูบาอาจารย์กนให้ไปอยู่ในป่าช้าท่านก็ไปเดินจงกลมในป่าช้ามันเงียบขนาดไหนป่าช้าผีดิบใช่ไหมคนก็กลัวหมดแต่พระท่านนั้นท่านก็ไปเดิน พอเดินเสร็จแล้วท่านก็ยืนยืนพิงฝากระดานฝากระดานคือพิงต้นไม้เวลาจะเดินยืนธรรมดาเนี่ยมันโงนเงินใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนการภาวนาของพระยืนเดินนั่งนอนท่านเดินเสร็จแล้วท่านก็นมายืนยืนพิงฝาากระดานที่พิงกับต้นไม้ ถ้าไม่งั้นมันจะล้มโงเงินยืนพิงในหมู่บ้านเขาก็มีนั ก, กษัตริย์ใครเขาวาเดือนส2บสองเพนเดือนหงาย เ, เขาก็มีเสียงร้องลํำทำเพลงมีดนตรีมีอะไรสนันวันไหวในหมู่บ้านท่านเขามาลำพึงกับตัวท่านเราเทรัพย์สมบัติของเราก็มีพร้อมทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องก็มีอุดมสมบูรณ์ เราไม่มีความวาดตกปกพ่องในปัจจัยสี่แต่เราเนี่ยตัดสินใจออกเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชเสร็จแล้วเราก็เนี่แหละครูบาอาจารย์ก็ให้มาอยู่ในป่ามาอยู่ก็มาอยู่ป่าช้าไม่เป็นที่พึงปรารถนาของมนุษย์ใครๆก็กลัวทั้งหมดแต่เราเนี่ยมาอยู่เช่นนี้เราเนี่ยหมดคุณค่าจริงๆฮะ โบสคุณค่าจริงๆเราเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีเหมือนกับคนไร้ประโยชน์ไร้คิดถ้ากิจแบบทางโลกของเขาแต่เรา เ, เอายังไงนะแต่เขาทำไมสนุกสนานดื่นเริ ง, เรงบันเทิงถ้านรกคงมีก็คงพวกนั้นก็คงจะตกนรกเราจะไปกลัวนรกคนเดียว เออมันจะถูกหรือเปล่านะน่มันใจมันออกอะไรต่นี่เอ่อคล้ายๆก็ว่ามันคิดถึงทางโลกมากบพได้ยินเสียงดนตรีชาวบ้านเขาร้องลําทำเพลงสนุกสนานตัวเองก็มายืนเดินยังกลมนั่งภาวนาอยู่ในป่าชาเนเะทวดารู้วรจิตของพระองค์นั้นเออเทวดา อยู่นั่นน่ะท่านเทวดาอะไรเป่งเสียงออกมาว่าท่านนี่แหะเป็นทางที่ถูกต้อง เ, อเป็นทางที่ถูกต้องของอพระอริยะทั้งหลายอันนั้นมันเรื่องของวัตฏะมันเรื่องที่จะต้องวนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัตฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่พวกท่านได้ยินนะอันนี้คือเป็นหนทางหนทางที่จะออกจากภพชาติ หนทางที่จะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานต้องเป็นอย่างนี้ท่านเดินทางมาถูกต้องแล้วท่านไม่ต้องคิดไปทางโลกอันนั้นเป็นคือไปหา ท, ก, ทกเท่านั้นอันนี้พวกท่านคิดอย่างเนีน้เป็นหาวัฏสางคือความสุขตัดกิเลสภายในใจเป็นพระอริยะบุคคลต่อไป เราเห็นด้วยกับท่านที่ท่านอยู่อย่างนี้ท่านอย่าไปคิดว่าทางโลกจะเป็นสวรรค์วิมานเลยอันนั้นคือความทุกข์นะท่านนะใครเข้าวัาเทวดาเตือนฮะเทวดาเตือ น, นเห็นพระ ท, ที่บวชแล้วก็ใจหวนกลับไปเป็นฆรวาดพรนะน้กก็สำนึกได้ทันทีแล้วอืมใช่ ที่เราได้ศึกษามาที่จากพระพุทธเจ้าพระรหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้คิดทําไมจิตใจของเราจึงตีกลับอย่างนี้ เ, เราได้เสียงยินเสียงตักเตือนมาเป็นเสียงที่ถูกต้องที่สุดท่านก็มีกําลังใจเร่งความภาคเปลี่ยนท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์นี่แหละอันนี้คือใจของพวกเราบางทีก็เดินหน้าบางทีก็ถอยหลัง ตีกลับเหมือนกันนะบางคนก็ตีกลับจนร้องห่มร้องไห้ก็มีมากต่อมากทีแรกก็ทาท่าจะเอาริงเอาจังเอาจะข่าไปบวชนี่ข่าจะต้องทาอย่างนู้นต้องทํอย่างนี้ต้องทําให้ดีที่สุดความมุ่งหมายความมุ่งมั่นความตั้งใจเราเห็นพระทั้งหลายแหละทาโตโตเตเตที่เขาลงเขาต่างๆแปลว่าไม่เป็นทึ่งพึงปรารถนาของเราเลย ถ้าเราบวชเข้ามาเนะเราจะต้องเอาแบบแนวปฏิปทาหลวงปู่มั่นท่านภาวนายังไงท่านเดินยังกรมนะยังไงท่านอยู่ยังไงอยู่ทาอยู่เหวอย่างไงเราต้องเอาอย่างนั้นฮะเมื่อเราเป็นคราวาสพอกลับเข้ามามาเจอของจริงเข้าทีนี่กิเลสตัวนั้นมา่ลุมความหิวบัง่งความกระหายบัง่งอยู่ด้วยความลําบากบัง่ง ทังลีนทั้งยุงกัดบังทั้งหมดทั้งอะไรรับรบกวนบ้างาจิตทั้งที่มันจะไปทางนั้นแนตะ่เนยมันถอยกูดกูดเลยแนตะ่เน่ยเพราะกิเลสนะเนี่ยกิเลสมันพาให้ถอยนะ่ยเพราะกิเลสมันลังเอาไว้อย่านะอย่าไปอย่าไป อ, าอยู่กับพวกเราดีกว่ า, นะาจากนั้นเนเราก็กลับถอยมาทางกิเลสนะถอยหลัง น, ะนี่แหละ มันเคยมีมากต่อมากที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์ที่เขามาอยู่ในศาสนาชีวิตต้องสู้พระครูบาอาจารย์ทั้งหมดต้องฟันต้องสู้แต่ขนาดพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราในคืนที่ท่านได้ตดรัสรู้คืนก่อนๆคืนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงละ แต่คืนจะตัดสรู้นะที่ท่านนั่งภาวนาที่โครนต้นโพลขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงท่านได้สู้กับพยามาลมาเท่าไหร่พยาบาลเสนามารแล้วก็นางตันหาราคาอรารดีมาลบกวนมายุยยวนให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลงไหลออกจากสมาธิพระพุทธองค์ ไม่มองตั้งจิตอธิษฐานจนถึงนางแม่ธรณีปิดมวยผมลงไปคือน้ำประไทยนะ่มวยผมคือน้ำประไทยไหลออกจากพระ อ, องค์ด้วยสัจจะคือความจริงจังและจริงใจไม่หวั่นไหวเพราะเราเคยผ่านมาแล้วโลกอย่างนั้นทำไมใจของเราจึงจะไปถลำก็ไปอีกเรายกระดับขึ้นมาให้สูงแล้วทำไมเราจึง ถ, ถลาลงไปอีก มันถูกไหมเนะ่ที่เราทำานะ่ที่มันผ่านผ่านมาแล้วนะถ้ามันผ่านแล้วจะเราจะมาอยู่อย่างนี้ทำไมเราก็พิจารณาดูไม่รู้กี่รอบแล้วทำไมเราจึงจะกลับไปอีกเออตายเป็นตายตายดาบหน้าไม่ถอยหลังเด็ดขาดนะ อ, าอะไรจะพังอะไรจะขาดให้มันขาดไป น, ะนี่พระพุทธเจ้าท่านเด็ดขาดอย่างนั้นนะพระลูกพระหลานนะท่านจึงได้ตัดสิ้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกัน เ, เราอย่าไปคิดล้าหลังจะไปคิดถอยอคิดดูให้ดีเปรียบเทียบโลกเปรียบเทียบธรรมโลกมันมีอะไรปู่ย่าตายายวงศาคณาญาที่เราผ่านมาเป็นยังไงชีวิตของเราความสุขทุกอย่างไรของเราเนี่เรามาอยู่อย่างนี้ถึงยังไงเราก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นทุกข์เดือดร้อนกับเรา เราก็ไปบินทบาทก่อนที่เขาจะใส่บาทเขาก็ยกแล้วยกอีกจบแล้วจบอีกถวายถวายให้เราเพื่อให้เราสู้ให้รู้ให้เราสู้กับกิเลสของภายในใจของเราเมื่อถวายเสร็จแล้วเราก็มาฉันเราก็ฉันเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นเองจากนั้นเราก็ภาวนาเราก็ไม่ได้คนอื่นใครอื่นเดือดร้อนกับเร า, เ, าเราไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีแต่ตัวของเราเอ ง, องนี่ยแะเราก็ดูใจของเราเอง ฆ่าตายก็ตายคนเดียวไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับเราถ้าว่าเราอยู่เป็นฆราวาส ต, ต้องมีขอบมีครัวมีผู้รับผิดชอบมากมายที่พ่วงเราพลุงพลังกับเราแต่บัดนีออ้มีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่พกเพื่อนกระต่างองค์ต่างภาวนาต่างองค์กระต่างแวกไหวของใครของเราให้เห็นอนันตรจังทุกขังอนาตาภายในใจของเราให้ตัดกิเลส โลคโกรธหลงราคะโทสะโมหะในจิตใจของเรานี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของนักพรตนักบวชอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวเพราะฉนั้นขอให้พระ ท, ทุกองนะที่จะอยู่ดำรงรงสารสนาไม่ต้องว้าเหวไม่ต้องอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้านะให้ผู้ที่จะลาสิขาไปก็เ อ, อือเพราะว่ามีกำหนดผมจะบวชถึงเดือน15้าวัน พอมีภารกิจถึงยังไงก็บวชให้พ่อแม่ได้เห็นผ้าเหลืองพ่อแม่อนุโมทนาญาติโกโหติการอุโมทนาที่ได้บวชเพราะว่าถึงยังไงเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายลูกชายของตระกูลลูกชายของพ่อแม่ลึกๆพ่อแม่ก็คงจะตั้งใจเออลูกเขาเราบวชเมื่อเป็นหนุ่มขึ้นมาเราคงจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกของเรา ถ้าเราไม่บวชพ่อแม่ก็คงจะผิดหวังในตัวของเราแต่ับันนี้เราก็ให้พ่อแม่สมหวังในระดับหนึ่งบวชให้ท่านได้เห็นชายผ้าเหลืองพ่อแม่ก็ดีอกตีใจกับลูกชายได้บวชในพระพุทธศาสนาได้เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาในร ะ, ระยะหนึ่งระดับหนึ่งแต่เราก็ยังไม่หมด ภาระที่จะต้องศึกษาจะต้องทาการงานจิตใจของเราก็ยังไม่มุ่งมั่นเพียงพอเอาก็ไม่ว่ากันแต่ถึงยังไงแต่ถึงยังไงพวกเราก็ต้องคิดให้ดีทบทวนให้ดีในชีวิตที่เป็นนักพรตนักบวชแล้วก็เป็นชีวิตครวะญาติโยมเปรียบเทียบกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ชีวิตฆราวาสญาติโยมหนึ่งคือชีวิตพ่วงแหมพ่วงออกไปแล้วก็นั่นต้องรับผิด ช, ชอบมากมายหลายอย่างพ่วงแต่ชีวิตนักพจนักผวดเนี่ยชีวิตเดียวแต่ถึงอย่างยังไงกับหลวงพ่อก็เถอะนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อพ่วงเหมือนกันเหรอมีคณะสัตธาญาติโยมลูกศิษย์เต็มวัดเนี่ยหลวงพ่อจะว่าเดียวได้ยังไงพ่วงแต่ใช่แต่เจ้าว่าพ่วงก็ใช่ แต่หลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอยู่ตามลําพังหลวงพ่อจะสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่ออินเอ้ยถึงจะมีลูกศิษย์ลูกหาคณะสัตายาญาโยมมีวัดวาศาสนาขนาดนั้นก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งนะท่านจะต้องทิ้งทิ้งทั้งหมดกระดูกของท่านท่านก็จะต้องทิ้งท่านอย่ไปคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อหนังมังสาของท่านนะหลวงพ่ออินนะ นี่หลวงพ่อตัดขาดในใจของหลวงพ่ออันนี้เป็นคำเป็นคาคิดแล้เป็นคำพูดแลือเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อส่วนลึกของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องออยึดเหนี่ยวว่าเป็นเครื่องที่คล่องแวะเพราะอีกสักวันหนึ่งกระดูกตัวเองก็จะเผาไฟทิ้งอยู่แล้วถึงเขา ไม่เผาทิ้งเกลือนทิ้งตายอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่น อ, อ, อีกสักวั น, นมันก็ต้องผุพังตามอายุสังขารของมันนี่แหละอันนี้ก็คือธาตุขันร่างกายอันนี้ภายในใจของเราสวนลึกๆความนึกคิดของเราเราจะต้องนึกคิดอย่างนั้นนี่แหละอันนี้เราเตัดในจิตในใจของเราแต่พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะเป็นขราวาตก็พยายาม แต่มันตัดยากนะสําหรับเป็นฆราวาสมันตัดยากไม่เหมือนเป็นพระนะขนาดเป็นพระยังตัดไม่ขาดจะไปเป็นฆราวาสจะตัดขาดโอ้หายากแต่มีไหมก็มีอยู่พระเจ้าจุดโททนะเนี่ยสันตติมหาอมาตมีตั้งเยอะแยะกั็หลายองค์พอสมควรอยู่ที่กล่าวมาในพระไตรปิฎกที่เป็นฆราวาสได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่มันก็ยากเหมือนกับเขาวัวนะั่นเป็นฆราวาส เขาวัวเห็นไหมวัวทั้งตัวขนกับเขาอะไรมากกว่ากันขนก็เหมือนเหมือนกับคนที่มีกิเลสขนวัวเนะขาวัวก็คือพระรหันผู้ที่ได้บรรลนะุนั่นแหละมันมากต่างกันอย่างนั้นแหละคารวาสนะคือขนวัวชีพิตของคารวาสแต่ผู้ที่สําเร็จเป็นพระรหันเนะี่ยคือเขาวัวแนะปลว่าวัวทั้งตัวเนะี่ยขนมันมากกว่า เขามีอยู่สองเขาท่านเองอันนี้ก็เหมือนกันั่นเป็นคราวะที่จะได้สำเร็จมักสำเร็จผลนั่นยากแต่สำหรับเป็นพระเนี่ยมีหน้าที่เดียวมีหน้าที่อันเดียวคือเป็นอาทาที์เร่งภาวนาหาทางพ้นทุกข์พร้อมที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เพราะนั้นพวกเราถึงจะไม่ตัดได้ก็เถอะ ที่เข้ามาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอย่างน้อยกระทาจิตใจให้สงบให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบความสงบของจิตใจนั้นเป็นอย่างไรให้พวกเราได้ริมรถแห่งความสงบถ้าสงบเป็นอนันตการอย่างพระอรหันต์สงบจนไม่มีกิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาได้อันนั้นแปลว่าโบรมัสุขแต่ว่าพวกเราเนี่ย เอาขนาดนั้นไม่ได้ก็ให้สงบเพียงชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าจิตใจสงบในช่วงขณะหนึ่งก็ย่อมยังจำไม่ลืมนะานาทีสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เ, เราควรจะได้ริมรถแห่งความสงบไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ในวัด แล้วก็ไม่มีอะไรคิดเกีุ่้งับฟุ้งฟุ้งเรื่องอาหารเรื่องเที่ยวเรื่องเตรเรื่องแล้วจะไปคิดทำทำไมคิดให้งโง่ทําไมาถึงอย่างไงมันก็จะเราก็จะได้ออกไปอยู่จุดนั้นอยู่แล้วเดบัตดนี้เราเข้ามาเพื่อตัดสิ่งเหล่านั้นเป็นเอกเทศ เ, เป็นส่วนตัวเราจะไม่นึกไม่คิดาทางนอกเราจะอยู่กับพุทธโธอย่างเดียว ขาขวาพุทธเวลาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลานั่งลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละคือแนวของพุทธะเพราะนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานหรือนากทั้งหลายนะหรือว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ทั้งในครัวก็เหมือนกันให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวครูบาอาจารย์พวกเราเนะี่ยยอมรับนะ ใจิตใจสงบแล้วมีความสุขไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่าใจิตใจสงบนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดในแนวหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษ า, อาตอนนี้ไปรับพร